นะใจตื่นใจเบิกบานขึ้นมานะมันไม่เผลอมันไม่เพ่งนี่พอเรารู้สึกตัวเป็นแล้วนะขั้นต่อไปเราก็ต้องมาหัดเจริญปัญญาการเจริญปัญญาขั้นแรกเลยนะคือการแยกาธาตุแยกขันธ์การแยกาธาตุแยกขันธ์ได้เนี่ยยังไม่เริ่มวนะิปัสสนาขนาดแยกาธาตุแยกขันธ์ได้ยังไม่เริ่มวิปัสสนาเลยนั่นคนที่รู้สึกตัวไม่เป็นเนี่ยไม่พูดเรื่องวิปัสสนาหรอกไม่ได้เรื่องเลย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 ก็แยกความรู้สึกต่างๆออกจากจิตความสุขความทุกข์ความดีความชั่วนะไม่ใช่จิตออกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าหัดแยกไปด้วยพอแยกได้แล้วบางคนก็พอใจนะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูดูไปดูไปไ ป, ไปเพ่งอยู่ที่ร่างกายนะสงบนิ่งสบายกิเลสไม่มาเลยอันนั้นติดสมถะอีกแล้นะไปเพ่งร่างกายไปเพ่งจิตก็เป็นสมถะนะ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 ปีนี้ก็เห็นปีหน้าก็เห็นถือว่าดีไหมซ้ําแล้วซ้ํำอีกถือว่าดีเพราะสูงสุดที่เราทําได้คือแค่นั้นแหละนะสูงสุดที่เราจะปฏิบัติกันนะก็คือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่คือจุดสูงสุดที่พวกเราทําได้เพราะฉั้นถ้าเราทําอยู่ในจุดนี้ได้ถือว่าดีแล้วละ่ะนะถึงจะต้องทําซ้ําอยู่อย่างนี้ทั้ง7็วัน7เดือน7ปีก็ถือว่าดีนะ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 วานข้าวเสร็จก็มีหน้าที่ที่สคอยดูแลระดับน้ำน้ำมากไปก็เอาออกน้ำน้อยไปก็เอาเข้าออนะถึงเวลาแล้วเนี่ยข้าวจะออกรวงเองนี่ท่านว่าอย่างนี้นะเราสั่งให้ข้าวออกรวงเร็วๆตามใจชอบไม่ได้เราทำเงื่อนไขที่เอาอนวยให้ข้าวออกรวงข้าวก็จะออกรวงีิสูจทั้งหลายพวกเธอก็มีหน้าที่3ประการนะนศีลสิกขา2จิตสิ ข, ขา3ปัญญาศิกขา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 รูปอะรูปอะไรที่เป็นภูมิที่เวียนว่ายตายเกิดขณะที่บรรลุมรู้มรู้ผลเนี่ยจิตพ้นจากพบพ้นจากความดิ้นรนปรุงแต่งนะในขณะนั้นเป็นโลกุตระเพ้นจากภพบพบทั้งหลายเนี่ยเกิดจากอะไรภ พ, าพทางใจเนี่ยนะเกิดจากความจงใจเรียกว่ามโนสัญญาเจตนามโนสัญญาเจตนาความจงใจอย่างเราจงใจจะปฏิบัติเนี่ยจิตจะสร้างพบทันทีเลยนะ แต่อาศัยสร้างพบไปนะแล้วก็พัฒนาศีลสมาธิปัญญาจนแก่รอบถึงจุดที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยจิตจะรวมเข้าที่จิตไม่เป็นภพเพราะไม่ได้เจตนารวมไม่มีเจตนาเนะีเจตนานี่เป็นตัวร้ายเลยนะเป็นตัวร้ายเลยแต่เบื้องต้นต้องเจตนาก่อนเช่นเจตนารักษาศีลต่อไปไม่ต้องเจตนาศีลมีเองเจตนาฝึกจิตให้ตั้งมั่นต่อไปไม่ต้องเจตนาตั้งเอง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 มีสติคอยรู้ทันจิตใจเมื่อกี้ที่หลวงพ่อมาได้ยินเสียงหลวุปู่หลวงเหรียญเทศใช่ไหมให้มีสติคุ้มครองจิตท่านอะไรนะจิตควบคุมจิตอะไรเงี้ยถ้าใช้คําที่ตรงก็คือสตินั้นเป็นตัวคุ้มครองจิตตรงปฏยักษ์ตรงพระไตรปิดดกสติทําหน้าที่คุ้มครองเราไม่ต้องไปทําอะไรเราไม่ต้องไปบังคับจิตนะถ้ากิเลสเกิดเรามีสติรู้ทันปับ๊บนะ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 พอลูกศิษย์ขาหักปุ๊บนะลูกศิษย์ซาโตรีเลยพวกเราโถเอาขาไปให้ประตูหนิไม่สาโตรี่หรอกเนาะบางทีไม่ได้เจตนานี่ยไม่มีเจตนานะแต่ว่ากําลังของศีลสมาธิปัญญานั้นมันสมบูรณ์เต็มตัวแล้วในขณะนั้นนะในเวลาขณะนั้นในคำพีเราพูดถึงขนาดว่าถ้าบุญบา ร, รมีเราพอนะขนาดว่าชาตินี้จะบรรลุพระอรหันนะต์นะตอนเด็กๆเกนี่ยคนเอาไปฆ่ายัางไม่ตายเลย ทำไงก็ไม่ตายจะต้องบรรลุพระอรหันตนะ์ในชีวิตนีนะ้ถึงวาระที่จะบรรลุแล้วนี่บารมีมันรวมตัวนะมันรักษาไม่ตายในสมัยพุทธกาลมันมีพระองค์หนึ่งเป็นลูกเศรษฐีตอนเกิดใหม่ๆเขาเอาไปอาบน้ําในแม่น้ํำคงขาถูกปลาตัวใหญ่มันพุบอาไปพี่เลี้ยงนี่ช่วยมากเลยนะเอาเด็กเล็กไปอาบน้ําในแม่น้ําแล้วปล่อยให้ปลาพุบ้าไปนะปลาเนี่ยมันมันว่ายไปอีกเมืองหนึ่งนะ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 เป็นพระอราหาัรที่ไม่เคยป่วยเลยเป็นเอตทักคะทางไม่เจ็บป่วยสุขภาพดีใครอยากได้เอตตทักคะอย่างนี้บ้างจะบอกวิธีให้เอาไหมไม่เจ็บป่วยสุขภาพดีเอาไหมต้องออตั้งอกตั้งใจทําบุญทําทานไปนะแล้วไปเจอพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งล้วก็สร้างบุญอย่างใหญ่โตสร้างมหาทานในพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์นะเราก็ตั้งสัจจะอธิษฐาน ขอเป็นเอกภะทางไม่เจ็บป่วยแล้วถ้าท่านรับรองนะอีกแสนกับข้างหน้าเราก็ได้แล้วล่ะเนี่ยสิ่งอะไรที่อัตโนมัติไปหมดนะอัตโนมัติค่อยๆฝึกไปเบื้องต้นไม่อัตโนมัติเบื้องต้นต้องจงใจไว้ก่อนแต่รู้ทันว่ายังจงใจเพราะจงใจของเราจะเจือโลภจะเป็นโลภะเจตนาเสมอเวลาคิดถึงการปฏิบัติโลภไหมแน่นไหม จิตที่แน่นขึ้นมาเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลแต่ต้องทํำไหมต้องทำไหมค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปนะเดินจงกรมแล้วเครียดไหมนั่งสมาธิใหม่ๆก็เครียดใช่ไหมก็ต้องทนเอานะแล้วก็ค่อยรู้ทันว่านี่โลบมากไปสอนตัวเองเขกหัวทิงไอ้รบเออเองอย่ารอบมากนั่เลยกูเหนื่อยนะสอนมันบ้างรอนะบมากก็เหนื่อยนะค่อยๆสอนมันไป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 หักภาวนาคนหนึ่งไม่ภาวนาผ่านไปไม่กี่ปีสองคนนี้เหมือนฟ้ากับเหวนะ้วแต่เดิมก็อยู่ในก้นเหวด้วยกันนะคนนึงตะ ก, กายขึ้นมาปากเหวได้แนละ้วงั้น พ, พวกเราถ้าไม่ภาวนาเนะี่ยนานไปเราจะเห็นในคนรอบๆตัวเราที่สารารูชินเนี่ยทําไมมันดูผ่องใสว่าทําไมหน้าตาเราเหมือนกวายเหย่ยนะดูไม่ได้เลยยับย่นยูยยีเครียดตลอดอย่างเงี้ย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 เกิดจิตดวงใหม่ที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาไม่เห็นร่างกายเดินเออร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะนั้นถ้าถนัดนั่งนะก็ไปนั่งนั่งเก้าอี้ก็ได้นะนั่งกับพื้นก็ได้นะนั่งตามสะดวกนั่งแล้วก็ทำใจสบายอย่าเคร่งเียดนั่งแล้วก็ค่อยครู้สึกไปเออร่างกายมันนั่งนะนี่ร่างกายมันกระดิกมือด้วยแกล้งเจตนาหน่อยเนะนี่ยดูสิเออมันกระดิกมือเราก็ดูมันเหมือนเห็นคนอื่นขยั บ, ข ย, บขยับนะ ค่อยๆทาใจดูไปเรื่อยร่างกายมันถูกดูเพราะเราดูไปเรื่อยๆกายกายใจมันจะรู้สึกว่าเป็นคนละอ่นานไปอยากได้คนละานแล้วก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนอิดียบทนะนั่งไปให้นานาเอาให้เมื่อยไปเลยนะไหนๆอยากได้ธรรมะเราวทนเมื่อยเอาหน่อยนะที่ช็อปปิ้งทั้องหลายชั่วโมงเมื่อยจะตายไม่ว่าอะไรใช่ไหมนั่งสมาธิเดินจงกรมแป๊บๆโอ้ยจะขาดใจแล้วจิตใจมันท้อแท้ ต้องการกำลังใจจากหลวงพ่อฝั่งล้วขันไม้ขันมือมากเลย <c oughs> ที่เองช้อปปิ้งนั้นเองไปได้ทั้งวันเลยเนาะห้างเดียวไม่พอเดินดูสิอยากรวยนักหนาเดินจริงตั้งหลายห้างเออเนี่ยเพราะงั้นอดทนบ้างเวลาจะสร้างความดีใส่ตัวนะนั่งก็นั่งเดินก็เดินก็ค่อยๆดูไปร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูฝึกไปเ้มันเดินมากๆมันก็ปวดมันเมื่อย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 กรนะะสับกระสายแล้วอย่านั่งนานเลยนั่งมากกว่านี้นะเดี๋ยวจะเป็นอมภภาพมันสอนนะอืมันสอนหรือนั่งมากอย่างเนี้เดี๋ยวหลวงพ่อประโมทติเตียนว่าเป็นอัตตะกิลมัฐานุโยคกนะอ้างไปนู่นอีกนะหลวงพ่อประโมทไม่เคยบอกเลยว่าอย่าไปนั่งแล้วนะนั่งเนี่ยจิตมันจะเริ่มหลอกหลอนเราจิตที่หลอกหลอนเราเนี่ยชื่อว่าสังขารนะมันสังขารมันปลุงมันหลอกแล้ว ปลุงโน้นปรุงนี้นะปรุงความทุรนทุรายความห่วงใยร่างกายขึ้นมาบางคนก็ปรุงมากว่าพวกนี้ต้องทํางานนะพุ่งนี้ต้องไปฟังเทศแต่เช้าเลยคืนนี้นอนดีกว่าอย่านั่งต่อเลยนะระหว่างนั่งสมาธิก็ไปฟังเทศคนละชั้นกันเลยนะถูกกิเลสหล่ออีกแล้วห่วงกลัวตื่นสายเดี๋ยวมาฟังเทศไม่ทันนะนอนดีกว่าอย่าภาวนาเลยนะใครเป็นอย่างนี้บ้างเมื่อคืนมีไหมยกมือซิ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 มีตัวหนึ่งเที่ยงอยู่เนี่ยสัญญาวิปลาสอยู่นะรู้สึกไหมว่าตอนนี้มีความสุขนะเห็นไหมว่าสุขเป็นตัวทุกความสุขกาลังถูกบีบคั้นให้สลายตัวอยู่ไม่เห็นหมเราเห็นสุขก็คือสุขจริงๆเลยนี่ก็วิปลาสนะเห็นของที่เป็นทุกลา ว, ว่าเป็นตัวสุขนะรู้สึกไหมร่างกายเราเชี่ยงสองกระจกเมื่อวานกับวันนี้หน้าเหมือนเดิม สิวก็ยังเม็ดเก่าอย่างเงี้ยนะหน้ามันเจี่ยงถ้าไปดูรูปภาพปีไกลายจะเห็นว่าไม่เที่ยงเลยถูกหลอกก็เจี่ยงใครรู้สึกว่าตัวเองสวยบ้าง<ม>ยกซิยกมือสิใครรู้สึกว่าตัวเองสวยโถใครว่าตัวเองหลอ่อบ้างมีไหมเลยไม่กล้ายกเลย<ม>ลึกๆอะ่ะรู้สึกไหมเราก็หล่อเหมือนกัน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 ไปเพ่งอารมณ์อันเดียวเป็นสมถะไปแล้วนะแต่ตกจากวิปัสนาละจิตไม่ถึงฐานปุ๊บลงออกไปโทสะดับโทสะดับคนระาวนี้จิตจะว่างว่างอยู่ข้างนอกงั้นพวกดูจิตดูจิตนะนักดูจิตเนี่ยเวลาเจอวิปัสสนูเนี่ยเกือบร้อยละร้อยจะเจอวิปัสสนูชนิดที่เรียกว่าโอภาสโอภาสเป็นวิปัสสนูเบอร์หนึ่งนะเป็นเบอร์หนึ่งเลยโอภาสเนี่ย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 ได้ความสงบนะออกไปเห็นเทวดาเห็นอะไรจืดชืดกล่อยนะรู้สึกว่างานนี้ไม่เอาไม่เห็นสนุกเลยไปดูสมบัติชาวบ้านไปเห็นเทวดากินอาหารอย่างเราไปเห็นเทวดามีอาหารทิพย์เรากินของเขาได้ไหมเขากินไม่ได้เสียเวลารู้สึกไราสาระไปดูเขาอยู่วิมานสวยเราก็อยู่ไม่ได้นะไม่ใช่ของเราเราลายสาระเขาแต่งตัวสวยเราก็ไม่ได้แต่งอย่างเขานะ ไม่สวยอยากเขาไร่สาระดูไปดูมาไม่เอาไม่เอาเลยนะทําสมถะแล้วออกนอกไม่เอากลายเป็นทําสมถะแล้วค่อยรู้ตัวเรื่อยๆดูตัวเสร็จแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งมาดูกายบ้งร่างกายมันระเบิดนะดูไม่นานมันระเบิดฟ่้งไปเลยนะกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยดูตามไปหญิงกลายเป็นแสงสลายตัวรู้สึกจืดชืดไม่ถึงใจจนกรทังอายุยี่เก้าไปเจอหลวงปู่ดุลท่านสอนให้ดูจิตอุ้ยคราวนี้มัน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 เห็นในทุกอย่างมันทำงานเองนะมันไม่มีเรามันไม่มีเราพวกเราก็ไปหัดดูสิมันไม่มีเราจริงๆหรอกความเป็นเราอยู่ที่ชิดเอาเองนะก็ไปหัดดูเดี๋ยวก็เห็นหรอกนะฝึกไปเรื่อยๆไปทำเอานะอ่ะเท่าดี้ก็แล้วกันอ้าว่ามาการรับราการหลวงพ่อค่ะพอดีเมื่อ มาพบหลวงพ่อเมื่อสักปีกว่าหลวงพ่อให้บอกว่าให้ไปดูไตรักเสร็จแล้วโยมก็ไปดูไตรักดูกายก็เห็นกายชัดดูจิตก็รู้ว่าหน้าที่ของจิตมันทำอะไรแต่นี้ตอนนี้เวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยมันรู้สึกเฉยเฉยคือรู้ว่ามันคืออะไรแต่นี้พอถึงเวลาแล้วเนี่ยโยมเดินชมกลมเดินเดินทีก็ หลายชั่วโมงก็รู้สึกว่ามันนุ่มมันดิ่มผิดปกติคือมันจะมันมันทำอะไรมันก็จะพอดีอ่ะท่านอาจารย์โยมก็เลยแบบก็มีแค่รู้เฉยๆเออดีที่มาถามนะค<ะ>จิตมันไปติดล็อกแล้วลถ้าจิตเป็นอย่างนี้นะะเหมือนอย่างนี้ไหมไ จ, ะะจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมล่ะออตอนนี้ตื่นเต้นนิดหน่อยออคือถ้าภาวนาไปแล้วแหมมันเหมือนกันทั้งวันนะมันต้องมีอะไรผิดปกติมันควรจะไม่เจี่ยง นะตัวจิตเองมันก็ไม่นุ่มได้ทั้งวันหรอกมัน<ะ>ต้องแปรปลวนบ้างยก<ะ>เว้นแต่ว่าเราไปติดสมถสะสักอย่างหนึ่ง<ะ>นะค่อยๆสังเกตเอา<ะ>นะมิธีสังเกตที่ดีที่สุดคือตอนตื่นนอนตอนตื่นนอนพอเราคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บจิตมันวิ่งเข้าไปทางไหนนะคอยรู้ทันมัน<ะ>มันมักจะเข้าไปช่องเดิมนะแล้วก็ไปติดอยู่งั้นได้ทั้งวันน ะ, ะนะจะได้ไม่ติดเนา ะ, ะอันนี้จิตสมถะใช่ไหมคะติด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 ไม่มีนอกไม่มีในแต่อย่างของเราเนี่ยจิตออกนอกแต่ออกนอกเราก็เข้าข้างในก่อนกลับเข้ามาดูกายดูใจเดินปัญญาให้เต็มที่ก่อนครับสำ ร, ร, รับน้ำสกานหลวงพ่อครับเมื่สอสรงปีที่แล้มาส่งกันบ้านหลวงพ่อหลวงพ่ อ, อ, อบอกว่าจิตมันไปสว่างอยู่ข้างนอกครับก็กลับไปดูแล้วก็ไปสังเกตว่าเวลารู้เนี่ยมันไปรู้อยู่ข้างนอกก็ ทำความรู้สึกตัวก็รู้สึกไกลให้มากขึ้นแล้วก็ที่ผ่านมารู้สึกว่าน่าจะรู้ตัวได้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะเรื่องอย่างคือของคุณนะคืออันเดียวกันนะนะอันเดียวกับที่เขาส่งกันบ้านนะั่นแหละปีไกลามาจิตไปอยู่ข้างนอกสว่างว่างอยู่ข้างนอกแล้วก็สบายอยู่งนะั้น้ย้อนมาดู ก, กายดู ก, กายในจิตเข้าบ้านปัจจุบันรู้สึกว่ารู้รู้สึกตัวได้ดีขึ้นแล้วก็เห็นจิตทํางานแช่แต่บางช่วงมันก็มีลงไปบ้าง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 เออมันคอยจะหีทุกข์แลู้มันเรื่องความสุขนะให้รู้มันว่ามันอย่างเกลียดไม่เป็นกลางครับก็ขอโอกาสขอให้หลวงพ่อแนะนำใี่ไปทำนะทาถูกแล้วล่ะครนะคือถ้าจิตมันตั้งมั่นถึงฐานแล้วเห็นรูปนามทั้งหมดเลยเกิดดับได้กระทั่งตัวจิตเก็เกิดดับได้ตัวรู้นะคราวนี้ใช้ได้แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ฟุ้งซ่านนะก็ทําความสงบครับจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมอะไรก็ทํำไปกราบขอบพระคุณครับ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 ขอ่ของประการแถวพ่อคือคิดว่าตัวเองรู้ตัวเป็นบ้างแล้วก็ช่วงหลังๆเนี้ยจะมีบางช่วงที่จิตมันนิ่งๆอยู่ก็รู้สึกว่าพอจะแยกได้ระหว่างจิตตั้งมั่นกับจิตตั้งไม่ตั้งมั่นแต่ไม่ค่อยแน่ใจของหน<ะ>ูของหนูเนี่ยสังเกตนี่จิตมันฟุ้งเก่งมันฟุ้งซ่านมากนะ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 ก็ต้องรับวิบากนะพยายามบอกมันบอกว่าเนี่ยมันเป็นตัวคนที่มันเดินอยู่บนเวทีเห็นๆไปคิดว่ามันเป็นผีแล้วก็แบบมันก็เหมือนหลอกนี่ไเห็นไหมใจมันฟุ้งแล้วของหนูต้องพูดน้อยนะคะเอาหนูถ้าพูดเมื่อไหร่จะฟุ้งเร็วเลยนะเป็นจุดอ่อนนะให้รู้ทันไเสร็จแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่ากลัวว่าเหมือนมันจะสติแตกเวลาที่กลัวผีเงี้ยของ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 จิตมันมีสมาธิแล้วมันไปเห็นผีเนี่ยจะไม่กลัวไอ้ตอนที่กลัวเนี่ยจะเป็นตอนที่ไม่เห็นถ้ะจิตไม่มีสมาธิเราจะคิดฟุ้งซ่านนึกออกไ้ย ม, มันกลัวตอนฟุ้งซ่านเพราะงั้นอย่าไปกลัวตอนนั้นไม่เห็นถ้ า, ถาสงบเมื่อไหร่ถึงจะเห็นบอกตัวเองเหมือนกันเพราะเคยเคยเคยที่ฟังหอวงพ่อเทศแล้วไปเจอตอนที่ใจมาสงบมาก ตอนนั้นไม่กลัวจริงไม่กลัวตอนนันแต่ตอนเนี้ยกลัวมากแล้วก็รู้ว่ามันไม่ใช่แต่ว่าใจมันไม่ยอมเชื่อไม่เชื่อก็ช่วยไม่ได้เวรกรรมใครก็ใช้ให้ไปดูละครผีกับนมัสการของพ่อครับส่งกันบ้านครั้งแรกครับเห็นแม้กกายกระจายเป็นโคลานเจนเออเห็นแม็กความสุขทุกขดีชั่วกระจายโคลานเห็นเห็นระหว่างกายกระจดูอะไรได้บ่อยได้ชัดกว่ากันมันสลับกันครับ ที่ทําอยู่ก็ถูกแล้วละ่ะไปทําอีกอก็ระหว่างวันจะเป็นเพง่งเพ่งร่างกายระหว่างวันเพ่งก็รู้นะครับเพ่งก็รู้ว่าไปเพ่งอยู่นะใจเราต้องเคลื่อนไหวได้อย่าให้ใจมันนิ่งครับแล้วระหว่างวันเวลาทํางานนะครับความคิดมันจะความคิดในอดีตและอนาคตมันจะเข้ามาในหัวแล้วก็เข้ามาละวการ อ, อก ก็แค่รู้นะห้ามมันไม่ได้เห็นมันมาแล้วมันก็ไปเนี่ยดูทุกอย่างเลยนะมีแต่ของที่มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมีแต่ของบังคับไม่ได้นี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญาขอคำแนะนาจากของพ่อเพิ่มเติมครับแยกขันได้พอดีแล้วล่ะนะแต่อย่าไปประคองจิตรักษาให้มันคงที่นะให้เห็นว่าทุกอย่างมันเกิดได้ดับได้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ขณะเนี้ย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 อย่าไปประคองจิตไว้อย่าให้มีการประคองสงสยัยทราบไหมนิดหน่อยครับเออนิดหน่อยก็ทราบนิดหน่อยเนี่ย <c oughs> <c oughs> มีอะไรขึ้นมารู้ทันมันรู้ทันมันไปนะรู้ลกปัจจุบันอย่าให้เหลือตัวนิ่งอยู่ <c oughs> เวลาทำสมาธให้มันมีตัวนิ่งเวลาเดินปัญญาปล่อยทุกตัวให้ทำงาน <c oughs> ไม่สงวนตัวหนึ่งเอาไว้อะต่อไปครับขบคใช้ได้อยู่ดี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 เคยฟังหลวงพ่อที่บอกรู้สึกตัวให้เข้มเนี่ยคือใช้ลมหายใจช่วยเหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าของยอมเนี่ยไม่จําเป็นไม่จําเป็นหรอกแค่รู้สึกตัวขึ้นมาเท่านั้นเองตกลงว่าที่อย่างตอนนี้อย่าตอนนี้ความรู้สึกตัวเข้มกว่าเมื่อกี้นึกออกไหมเนี่ยให้มันเข้มอย่างเนี้ให้มันเข้มแข็งไว้อย่างเงี้ยก็พยายามหาอะไรที่มันช่วยบางทีนึกถึงหลวงพ่อช่วยกัแต่อย่างนั้นยิ่งอ่อนแอใหญ่เนี่ยพึ่งคนอื่น งั้นก็ทําอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็ทำ อ, <ด S 1> อย่างนี้นะแล้วก็อย่าให้ใจมันอ้อยส้อยอ้อยหญิงให้มันเข้มแข็งไว้เร้าความรู้สึกตัวขึ้นมาหน่อยหนึ่งให้มันเข้มแข็งไหมที่จริงๆมันบางทีมันรู้สึกเหมือนมีการเพ่งอะค่ะอันนี้ใช่หรือเปล่าคะใ ช, ใช่แต่เราไม่เพ่งนะเราแค่รู้สึกตัวขึ้นเฉยเฉยไม่ไปเพ่งพราะที่เรารู้สึกว่ามันเพ่งเนี่ยเราอันนั้นคือเรารู้สึกมาแล้วใช่ไหมนะ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 แข่งขึ้นมาเลยือจิตมันแข็งขึ้นมาเลยพอพอกำลังจะพูดกับหลวงพ่ อ, อคืออยากกราบขอความเมตตาหลวงพ่อตรวจกันบ้านนะคะเห็นกายกระใจเป็นโคนละอันไหมเห็นบ้างคะ่ะะก็ดีแล้วล่ะเห็นใจที่แอบหนีไปคิดไหมเห็นคะน่ะรู้ตัวนี้บ่อยๆใจหนีไปคิดเรารู้ใจหนีแล้วคิดเรารู้น ะ, ะใจจะได้มีแรงถ้าใจมีเรื่องมีแรงแล้วก็ดูกายกับใจก็คนละอันกัน ดูกายบ่อยๆเรารักสวยรักงามนะดูกายไปเรื่อยๆ้ความรู้สึกในใจอะไรเกิดก็ค่อยรู้เอาหลวงพ่อขตอนนี้ใช้พุทโธเป็นวิหารธรรมพุโทโธเป็นวิหารธรรมเนี่ยเราใช้จิตเป็นวิหารธรรมนะพุโทโธเป็นวิหารธรรมไม่ได้พุทโธเป็นอารมณ์บัญญัติเป็นเรื่องราวที่คิดแต่ถ้าเราพุทโธแล้วเราคอยรู้ทันจิตเนี่ยเราใช้จิตเป็นวิหารธรรมอันนั้นเรียกว่าพุทโธเป็น พุทโธแล้วรู้ทันจิตไปเช่นพุทโธพุทโธจิตมีความสุขรู้พุทโธจิตฟุ้งซ่านรู้จิตสงบรู้นะจิตหนักรู้จิตเบารู้อย่างนี้ใช้ได้เอออย่างนี้ค่ะหลวงพ่อพอใช้พุทโธปุ๊บเนี่ยมันจะมาที่กายก่อนส่วนใหญ่ได้พุทโธแล้วก็บางทีก็ไปที่จิตบางทีไปแบบนี้ถูกแล้วใช่ไหมคะถูกแต่ว่าเวลาพุทโธอย่าไปประคองจิตให้นิ่งนะะพุทโธแล้วรู้ทันจิตที่ฟุ้งไปจิตที่ไหลไปะ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 พุทโธแล้วรู้ทันจิตไปกขอบคุณค่ะหลวงพ่อกล่าวนามัสการค่ะหลวงพ่อตื<ม>่น เ, เต้นค่ะ<ม>หลวงพ่อปฏิบัติมาตั้งนานยังไม่รู้ตัวเลยค่ ะ, ะยังไม่รู้ตัวเลยก็โกรธเป็นไหมอะไรคะโกรธเป็นไหมเป็นค่ะเออต้องเป็นสิอ๋อโกรธเป็นค่ะแล้วโลคเป็นไหม อยากโ น, น่อยากนี่ก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมดีใจเป็นไหมเป็นค่ะเหรอเสียใจก็เป็นใช่ไหมเป็นค่ะ ส, สุขเป็นไงก็รู้ใช่ไหมมีความสุขมีความทุกข์รู้จักไหมพอรู้ค่ะเออต่อไป น, นี้ง่ายๆเลยน ะ, ค, ะความรู้สึกอะไรกําลังเกิดเนะ่ก็รู้ทันมันบ่อยๆค่ะให้ฝึกตัวนี้ให้เยอะเลยนะค่ะอย่างใจเรามีความสุขรู้ทัน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 เคื่อนไหวไปแล้วก็เห็นร่างกายมันทำงานเราเป็นแค่คนดูแต่ถ้าใจหนีไปแล้วก็รีบรู้ตัวขึ้นมาใหม่ค่ะนะดูกายบ่อยๆค่ะถ้าดูขอบคุณค่ะขอให้ลุงพ่อสุขภาพแข็งแรงค่ะโอ้สาธุมีให้รางวัลให้พรด้วยการนมัสการค่ะออตอนนี้รู้สึกว่าช่วงนี้ใจจะลอยๆฟุ้งๆ เราภาวนานดีแล้วล่ะนะตอนที่นั่งสมาธิอะค่ะจะเหมือนถ้าเราดูลมหายใจอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ไม่ไม่รู้สึกสงบอะค่ะเราเดี๋ยไปอยากสงบนะอยากสงบจะไม่สงบทำใจสบายคิดว่าเราปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้นะ ทำไปอย่างนี้เรื่อยๆทำไปสบายแล้วถ้าหากมันเบลอเบลเคว้วงคว้างมากนะก็สวดมนต์นะสวดอ e ีตีพิโซสวดอะไรก็ได้นะสวดบ่อยๆซ้ำไปซ้ามาจิตจะได้มีแรงจิตใจจะได้กลับมาคือพอภาวนาดีแล้วพวกมานมันแกล้งทำให้เราฟุ้งจับอะไรไม่ถูกเราสวดมนต์ไปเรื่อยๆคิดถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆนะใจเราก็เราก็กลับมา แล้ว ถ, ถ้าใจเราไม่สงบอย่างเงี้ยค่ะไม่สงบไ ม, ไม่เป็นไรเริ่มแยกคาบแยกขันได้ยังไงอะคะก็ดูไปสิความไม่สงบน ะ, จะใจโคละาอันกันนะเห็นไหมความไม่สงบมันอยู่ น, นู่นใจมันเป็นคนดูรู้ว่าไม่สงบเหมือนให้เราแยกออกมาดูอีกทีเราแยกแต่อย่าจงใจแยกของคุณถ้าจงใจแยกนะมันจะทื่อๆออกมาเลยจะมีตัวหนึ่งนิ่งทื่อๆอย่าไปจงใจแยก ตอนนี้สวดมนต์ไว้เยอะๆก็แล้วกันเดี๋ยวก็หายเพราะว่าภาวนาถูกแล้วล่ะนะมันเป็นชั่วครั้งชั่วคราวพวกพวกมารมีทั้งห้าชนิดนะขันธมารคือร่างกายเราเองเนี่ยบางทีเราภาวนาดีๆก็ดันเจ็บป่วยซะแล้วเคยนั่งสมาธิเดินโยมทําไม่ไหวแล้วอย่างนี้เขาเรียกขันธมานอีกอันหนึ่งก็คือความคิดของเรานะมันหลอกลวงเราทําทอย่างโน้นสิทําอย่างนี้สิอันนี้เรียกว่าอาภีสังขารามาน อีกอันี้คือกิเลสเนี่ยมันหลอกเราเรียกเรียกว่ากนะิเลสมันส่วนความตายเรียกมัจจุมารแล้วมันมีมานอีกตัวชื่อเทวปุตตมานคือไอ้พวกขี้ฉาเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทพก็ได้นะอิฉามันแกล้งนะมันแกล้งนะทําสะกดจิตเราให้เบือเบก็ได้นะเพราะฉะนั้นะเราพยายามพูดโทรไว้คิดถึงพรธเจ้าวไว้ให้ใจเราเข้มแข็งเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่ไม่กลัวใครหรอกต้<า>กองสู้เอา กว่าจะรอดนะแต่ละคนแต่ละคนนะต้องสู้เท่านั้นเลยพระพุทธเจ้าท่านก็สู้มาสู้ขมานมาล่าขมานก็ตีกันมาตลอดในประวัติศาสตร์เอาว่ามาเก่าสมัคต้องการท่านค่ะหลวงพ่อคือหนูเคยปฏิบัติหนูฟังทีทีหลวงพ่อมาค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าค่ะเห็นกิเลสไหมล่ะเห็นค่ะถ้าเห็นกิเลสก็ถูกเลยเห็นกิเลสแล้วกิเลสดับเร็วไหม ไม่แน่ใจว่าเหมือนมันจะกดเอาไว้หรือเปล่าใช่หนูไปกดไว้นะปัญหาของหนูก็คือจิตมันไม่เป็นกลางมันไม่ชอบไอ้ที่ไม่ดีนะให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบอ่ะมันหงุดหงิดมันลำคาญไอ้ที่ไม่ดีนะเลยความทุกข์เกิดขึ้นก็ลำคาญรู้สึกไหมมันจะขี้ลำคาญรู้สึกค่ะนั่นแหละให้รู้ทันจิตที่มันขี้ลำคาญนั้นนะเวลาจะภาวนาะทําไปอย่างนี้ก็ลำคาญรู้ทันว่าลำคาญ รูดบ่อยๆจิตจะมีพลังเป็นกลางขึ้นมาตอนนี้ปัญหาคือจิตยังไม่เป็นกลางจิตยังเกลียดเกลียดอารมณ์บางอย่างขอบพระคุณค่ะกล่าบหลวงพ่อครับ อ, อผมฝึกรู้ขับหลงไปเรื่อยๆครับทีนี้มีอยู่วันหนึ่งบังเอิญจะแปลงควันทีนี้ไอ้เจ้ายาเสพัิดมันกระเด็นเข้าตาอืมหาแปลงอีกท่าไหนวะครับ พอดีเปิดเปิดไอ้ตัวยาสีฟันฮะมันกระเด็นเข้าแล้วก็เข้าตอนเปิดครับที่ น, น, นี้เหมือนึกว่าเข้าตอนแปลงเข้าไปได้ไงมันแสบจี้จนแบบมันเหมือนเข็มแทงนะฮะที น, นี้ขนาดที่เข็มแทงเนี่ยมันอยู่ดีมีภาพขึ้นมาอีกภาพหนึง่งเป็นภาพที่กําลังคุยกันกับญาติตอนเย็นแทรกเข้ามาก็ไปเห็นภาพชัดขึ้นมาแล้วก็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 ทำได้ดีขึ้นก็เลยรีบไปเดินจงกรมทําอะไรต่างๆแต่พอเดินยิ่งฟุ้งหนักก็เลยมันโลภแล้วนะขับโลภไปเลยครับโลภครับก็เลยขอกันบ้านนะที่ทําอยู่ดีแล้วล่ะนะอย่าโลภเทนั้นแหละทําสม่ําเสมอนะขยันแต่อย่าโลภขยันหม่ถึงขยันทําเหตุถ้าโลภเนี่ยอยากได้ผลครับนะทําถูกแล้วครับสาธุครับครับ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 ยถาวาริวหาปุราภริภุเรนตีสาครังเอวเมีวายโตทินนางเปตานางอุปกระปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิฉตุสภเพปูเรนตูสังกปาจันโทปันรโสยถามณิโชติรโสยะถาสัพพีตีโยวิวัตฉันตูสัพพโรโควินัสตู มาเตภวัตวันตราโยสุขีทีคาโยโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังมุทาปจายโนจ ต, ตาโรโอธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขันภะลังสาธุพวกเราก็อนุโมทนาให้คนที่เขาช่วยกันดูแลสถานที่บ้างเนาะลําบากมากเลยในการดูแลสถานที่นี้นะ